สิกขาบทที่7ว่าด้วยการใช้ผ้ารับกระดูแล้วไม่สลักเรื่องภิกษุณีทุลนันธา1น0่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาใช้ผ้ารัพกรดูคนเดียวไม่ยอมสลัก ภิกษณีอื่นที่มีประจำเดือนไม่มีโอกาสได้ใช้ภิกษณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามพนธนาว่าชฉนไแม่เจ้าคือนัคนาจึงใช้ผ้าซับระดูไม่ยอมสละเล่าครั้นแล้วภิกษณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ